เพื่อนบิณฑษสมณเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สองก็มาพูดกันทั้งเรื่องการตายวาระที่สองแต่ว่าก็วันนี้ก็ยั ง, ปยงเป็นวันที่ยี่ิบี่กรกฎาคม2527ยี่ิเจ็ดที่บอกไว้จะได้ทราบเอาพูดตั้งแต่เมื่อไร่ สำหรับการตายก็ด้สองอย่างจะไม่พูดถึงก่อนเรื่องประโยชน์ข้นงการตายครั้งที่หนึ่งการบรวนาวะพุทธโธมีประโยชน์นั่นคือคืรว่าต่อมาเมื่อผมอายุได้ดย่างเขาเจ็ดปีตอนนี้รู้สึกว่านอกจากจะเห็นเทวดาที่คอยรักษาแ้่ก็เห็นหน้าไม่พร้อมกันเปลี่ยนหน้าัะมาเสมอ นานท่านแม่กับท่านพี่จะมาเองสักครั้งหนึ่งก็เห็นท่านก็ถามว่าท่านแม่กับท่านพี่ทำไมนานๆจึงมาทำไมไม่มาทุกวันแต่วก็บอกว่ารับภาระของแม่มีภาระของพี่ก็มีมากเพราะว่าพ่อเป็นพระอินทและเมื่อพ่อพระอินเขอต้องปกครองเทวดาทั้งหกชั้นภาระก็มี ฉะนั้นแม่กับพี่จึงไม่คือว่าจะให้น้องๆมาบ้างให้เพื่อนๆมาบ้างแล้วก็เทวดาอื่นมาบ้างก็ถามได้ว่าเทวดาที่มาเนะี่ยโดยมากไม่ได้ใส่ชฎาก็มาเป็นรูปร่างคนธรรมดาแต่สวยสวยกว่าคนธรรมดาบางครั้งก็มีบางพวกที่มาแต่งตัวแพร่ปราป็นยับแต่บอกว่าเป็นน้อง อยากจะทราบว่าน้องผมมีกี่คนท่านพี่ก็ยิ้มหัวเราะคนน้องที่เป็นลูกของแม่น่ะเกือบจะไม่มีเลยลูกน้องทำามาอย่างนั้นท่านพี่บอกนะว่าน้องที่เป็นลูกของแม่น่ะเกือบจะไม่มีเลยที่มีเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไปแล้วแต่ว่าน้องที่ว่านี่ไม่ใช่น้องลูกของแม่เป็นน้องลูกของแม่อื่น แต่ว่าแม่อื่นเขายกมาให้เป็นน้องคงน้องท่านน้องประเภทนี้แล้วก็ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีหลายพันคนตกใจแล้วก็ถามว่าคนอย่างผมจะไปเที่ยวสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ไหมท่านบอกว่าไปได้แต่วาระจะไม่ถึงเมื่อการเวลามาถึงก็ไปได้จะเพิ่งเงลียงลัตัวเองให้ตั้งใจภาวนาบ๊ะพุทโธไว แล้วเวลาภาวนาพระพุทธโธนะทางที่ดีควรจะนึกเขียนภาพพระพุทธเจ้าถ้าเห็นไม่ได้ก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ที่ทันย่ากับท่านแม่ให้บูชาพระองค์ที่ลูกรักก็จริงพระองค์นั้นเป็นพระทองคำท่านสวยมากก็ชอบใจพระองค์นั้นพระพุทธรูปมีหลายองค์ที่จิตใจในจดจ่อพระพุทธรูปทองคำองค์เดียว แล้วท่านแม่กับท่านยาก็ให้มาบูชาดังนั้นเวลาที่ท่านแม่กับท่านยาให้ท่านแม่กับท่านพี่ <c oughs> ที่อยู่เดาดึงบอกก็ใจจับพระองค์นั้นทั้งองค์นี้ได้ไหมองค์นี้ได้ไหมทั้งบอกได้ทุกอง์ <c oughs> ต่อมาก็เวลาจะภาวนาก็นึกถึงท่านแต่ก็ภาวนาไม่นานภาวนาสองสามวาระก็หลับ เอาแค่เนี่ยหากินกันแค่แค่จะหลับภาวนานหน่อยเนยกันหลับแต่จิตใจก็ลืมตาดูพระก่อนนึกถึงภาพพระแล้วก็ภาวนาหลับไปจนทั้งเวลาไหนถ้าเดินไปไหนก็ตามท่านนึกถึงภาพพระขึ้นมาเมวลาจะเห็นภาพพระชัดเจนแจ่มใสมากหลังจากนั้นมาเมื่ออายุเจ็ดปีย่างเขาเจ็ดปี สิ่งที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นนั่นคือถ้าจะไปในที่ใดในที่ตรงนั้นถ้าที่พักมีคนตายแล้วกี่คนในะบริเวณนั้นคนทั้งหลายเล้านั้นเขาจะมาหานะไม่ใช่ผมมีตาทิพย์เขามาหาเลยเขาจะมาบอกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรตายเมื่อไร <c oughs> เขามาในภาพในขณะที่เขาตายเขาบอกต้องความจริงทุกคนเขามาเขาไม่ได้ทำให้กลัวไม่ได้ความสดชื่นมาพูดโอชาปราศัยเหมือนเขามีชีวิตอยู่ผมก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตายก็เหมือนก็คุยกับคนธรรมดาถ้าไปบ้านใครคืนแรกจะพบแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เมื่อพบแล้วคนทั้งหลายเหล่านั้นมักจะบอก ว่าทรัพย์สมบัติที่ลูกด้วยหลานที่เขายังไม่รู้จักเขายังไม่รู้ก่อนจะตายไม่ได้บอกเขาอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนี้ตอนเช้าช่วยบอกก็าด้วยนะบอกฉันมาสั่งและบอกชี้ไว้บางท่านก็เอาเงินไปฝังไปฝังไว้สมัยนั้นฝังมากกว่าฝากการฝากธนาคารตามชนบทเกือบจะไม่มีเลย ก็เดินไปอำเภอไปจังหวัดก็แสนยากพานะไม่มีต้องเจวเรือไปบ้างต้องเดินไปบ้างกว่าจะถึงสำนักงานอำเภอก็แสนนะรําแลรร้วธนาคารต่างๆก็ไม่ได้ต่างตามอำเภอที่พอจะมีอาศัยได้บ้างก็ธนาคารออมสินซึ่งก็ฝากเจ้าหน้าที่ทเตรียมเพอไว้ก็ไม่มีสำนักงานแน่นอนจีนั้นคนส่วนใหญ่จึงใช้เงินฝังฝังไว้ใส่หายบ้างใส่ตุงบ้าง แล้วก็แนะนำบอกให้ไปกดตรงนั้นตรงนี้นะเขาชี้ให้ดูบางทีก็บอกชันย่อไม้ประเภทนี้ปักให้เขาให้ดูไม้ก่อนตอนเช้าก็ถามเจ้าของบ้านว่าคนที่บ้านนี้ตายไปแล้วท่านั้นคนใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ว่าคนรูปร่างอย่างนี้ชื่อ น, นี้คนร่างแบบนั้นชื่อมันใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเมื่อคืนท่านมาคุยกับผมแล้วท่านสั่งว่าทองคำสร้อย เอาไว้บนคือเอาอะไรวางปิดไว้เบาๆซึ่งเป็นที่ไม่นานไม่ น, าน่าจะสงสัยพอ <c oughs> ส่อ่ตงคำเช่นเล็กๆก็เอาของเล็กๆกอาไม่กระดานมาวางทับแล้ว อ, อะไรวางไว้ข้างบนตีตะปูนิดหน่อยก็มีกระถางดอกไม้บางเมีอะไรบางก็ตามบาทีของเล็กๆก็น้อยใส่กระถางเล็กๆว่าบนไม้คนก็เลยไม่สงสัย ไปงัดตะปูขึ้นมามันก็นัดกระดานขึ้นมาปรากฏว่าเจือทองเจือทองซสร้อยทองคําแล้วก็มีขวดเจือเงินบ้างเจือทองบ้างเจือแก้วหวานเครื่องประดับบ้างเชาวบ้านก็เลยแปลกใจว่าเจ้าเด็กคนนี้มารู้ได้ยังไงเขาถามว่ารู้ได้ยังไงก็บอกว่าผมไม่ได้รู้เองความจริงเนี่ยผมไม่ใช่รู้เขามาบอกเหตุการณ์อย่างนี้เป็นมาเรื่อยๆ ก็น่าจะเป็นมาเรื่อยตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันและต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นก็ไม่ทราบกลวงความทุกขสิ่งทุกอย่างที่มีอะไรในที่นั้นไปถึงคืนแรกสราบหมดในที่ตุสสถานหลังจากวันมาผมก็อิเล่เข่าตามเรื่องราวของเด็กจะลืมว่ากีฬาประเภทอื่นผมไม่ชอบเลย ชอบอย่างเดียวเรื่องรบถ้าเล่นกันเรื่องรบนี่เอาทุกท่าต่อมาเมื่อวาระที่สองตายครั้งที่สองเข้ามาถึงอย่าลืมนะครับว่าการตายแต่ละคราวมาจากอการของการป่วยญาโยมพุทธบริษัทก็โปรดรับฟังไว้ด้วยคนที่จะป่วยก็เพราะว่าเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้ในชาติก่อน <c oughs> โทษที่มาลงโทษแบบเบาๆก็คือการป่วยไข้ไม่สบายฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งรับฟังโปรดบอกกัต่อไปด้วยมีญาติโยมผู้เท่าบางคนมาถึงก็มานั่งตอนต่อว่าพระคนาฉันว่าจะทิ้งก็ทอดประปายก็ทอดเส้นลายก็สร้างโบ ก, ก็สร้างบายก็ใส่ แต่ป่วยไข้ไม่สมบายเป็นปกติพระทรไมจะไม่ช่วยนี่ย่องไปโทษพระอีกบาปนะเพราะจิตเป็นอกุศลยัยลืมว่าเวลานี้ธรรมมาเป็นพระก็ป่วยปัวตลอดทุกวันเวลาพูดนี่วันนี้เดินก็งงไปงงมาก็จะมาที่พักรับแขกอยู่ก็ดีนั่งเฉยๆพรู้ะุกขึ้นจะเกิดจะเซลมจะงงหน้ามึด ต้องยืนหยุดประเดี๋ยวหนึ่งที่หน้าพพุทธรูปยกมือไหว้ท่านพอใจสมายอารมณ์ก็โปรงขึ้นแต่กายงงก็ยังไม่ปรายกฏกลับมาสงน้ำเสร็จก็มากันทึกเสียงนี่เป็นว่าพระก็ยังป่วยอย่าโทษพระเลยโทษตัวเองเถอะอัตนาจทยาตานณังพระุทธเจ้าบอกว่าจงกล่าวโทษจดความผิดตนเองไว้เสมอ <c oughs> พูดมากไป ก็มาคุยกันเรื่องตายทั้งี่สองตอนนี้จะเป็นอายุประมาณสิบสองหรือสิบสามผมจาไม่ได้แน่เป็นน่าว่าเป็นเด็กโตแล้ววิ่งคืบคืบคึบคืบแล้วเขากินเหล้ากันผมนั่งในวงเหล้าได้แต่ย่าลืมว่าในบ้านของผมทั้งหมดไม่มีกินใครไม่มีใครกินเหล้าเลยแม้แต่พ่อพ่อก็ไปกินเหล้าพี่ก็ไปกินเหล้าผมก็ไม่กินเหล้าเลย แต่ทำไมผมนั่งในวงเหล้าก็เพราะว่าไอ้วงเหล้ามันมีกับที่เขากินกับเหล้าพวกที่เหล้ามาก็เรียกผมผมกันหลอกกับพวกกินเหล้าก็กินไปกินไปบ้างกินกับไปบ้างไอ้กับก็หมดมากเพราะผมกินมากกว่ามาวันนั้นวาระที่มันจะมาถึงก็คือเขากินเหล้ากันเหมือนกันในเมื่อฉันเขากินเหล้ากันแล้ว กำลังเลิกกินไปแล้ววานนั้นเขายำให้โคาให้โคนจากกลางนามาตพลาไม่ใช่ยำพลาลดรสมันก็อร่อยรู้สึกเนือหวานๆเขาก็เรียกไมยกินเพราะก็หล่อสติมัตราผนที่สุดอานิสงส์กับรายกฏกินตอนตอนเย็นตอนเท้าเท้าท้องร่วงพืพ้นืพ้พืท้องร่วงก็คืออวิวาจะขโรค เวลานั้นเป็นเวล า, ออวา ก, ลก็องไวาจะคโรคสัตว์ตายก่อนเป็ดไก่ตายก่อนมาโวคายตายตายกันมากเป็ดไก่ตายนี่แกงเนื้อถวายพระเพื่อเบื่อคนก็เบื่อไม่มีใครอยากกินผลสุดก็ฝังกันต่อมาควายก็ตายคนกินควายก็ไม่อยากจะกินถ้าหลังจากนั้นมาคนก็ตาย เขาตายกันมาแล้วประมาณทั้งสิบวันเศษ็จผมขอเล่าย่อๆเรื่องยาวอยู่ในเรื่องของ ข, องของ้อปานแต่เรื่องนี้มาเล่ารับรองกันไว้เพราะว่าผมก็เป็นตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่าท้องไม่ดีไปถ่ายถ่ายมันก็ออกมาข า, ขาวๆที่ครับไม่มีเสียงสะบัดรืดไม่ก็น้ําเหมอนก็น้ําไหลจะ ก, กระบอก แค่สามครั้งผมหมดแรงพรแรงเพลียตาลายท่านแม่ก็พอด้วยท้องเดินครั้งแรกท่านแม่ก็ให้คนไปตามท่านหลวงมาให้ยาท่านหลวงไม้ยาแล้วผมยังทางท้องไทยสองั้งเขานี่หมดแรงจริงๆท้องก็เจ็บระบบมันร้อนไปหมดท่านต้องเจ็บท้องร้อนไอ้ทุกเวทนายกล้าท่านแม่ก็เลยนั่งไกล ว่ลูกภาวนาว่าพุทโธในลูกนะจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้อรหังก็ได้ <c oughs> ลูกชอบใจแบบไหนภาวน า, วนาวแบบนั้นให้สบายแล้วทั้งกต่เอาพระพุทธรูปองค์ที่ที่ชอบใจพระทองคำมาวางข้างขว า, ขาใกล้ไม่ใช่วางหัว น, นอนให้ตาบองเห็นเพื่อจำภาพพระพุทธรูปไปนลูก ภาพพระที่หลวงูกชอบแล้วก็ตั้งตัง้งใจเวลาภาวนานึกถึงท่านท่านจะช่วยหายโรคนี้อย่างนี้เรียกว่าภาวนาการตายถ้าดูอาก า, ค า, า, า, า, า, า ร, รแล้วก็คล้ายคล้กับสุปฏิทิฏฐิตาเทพบุตรหรือว่าอังกุละเทพบุตรหรือ ว, ว่าเวลาที่ป่วยไข้ไม่ส บ, บายภาวนาแต่ว่าความจริงผมภาวนาของทุกวัน ภาพพระพุทธเอ์นี้ผมเห็นชัดทุกวันเดินไปที่ไหนไม่ใจตัวหน้าท่านกลางทุ่งกลางท่าผมนึกขึ้นมาด้วยอะไรผมเห็นท่านชั ด, ชดทุกทีวันนั้นเกี่กายปวยอาการป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นก็เลยมีความหวังใหญ่ท้องมันก็ปวดเป็นร้อนก็ร้อนเจ็บมากในใจก็นึกว่าขอสมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคือพระพุทธเจ้าแม่สอนเ้เด็กอย่างนี้ แม่สอนให้ได้ยังนี้จนชินว่าขอให้ช่วยทรงค่อย ห, หายการเจ็บป่วยเถิดพรุ่นี้จะไปโรงเรียนวันนี้ไปโรงเรียนไม่ไหวความเรียงโรงเรียนนไม่เคยขาด้ะไปถึงโรงเรียนก่อนเพื่อนเสมอเรื่องการเรียนนี่ชอบไปรอพภาวนาไปภาวนาไปลืมตามองท่านบ้างหลับตาบ้างหลับตาบ้างภาวนานึกถึง เวลาหลับตาเห็นภาพทนชัดต่อมาพอเดียวๆเราก็เห็นภาพพร ะ, ะรูปโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยหลับตาก็เห็นลืมตายก็เห็นสบายมากตอนนี้ลืมความเจ็บปวดในร่างกายย่าลืมนะครับท่านผู้รับฟังในตอนเป็นเด็กผมไม่รู้เรื่อง ว่าตอนนี้กำลังจิตเข้าไปสู่ของอุปจารสมาธิเบื้องปลายคือจิระละเอียดลาจิตก็กลางเข้าไปสรงในด้านของปฐมชานพระพุธรูปตโตขึ้นโตขึ้นโต ข, ขึ้นขึ้นหนาเท่าพระพุทธรูปวัปทานในบทหน้าตักสี่สอสวยงามเป็นพิเศษสวยก็รูปเก่ามากหลรบตหลับตายก็เห็นลืมตายก็เห็น แล้วต่อมาพุทกธค่อยกลายโอไสาขึ้นสาขึ้นสาขึ้นต่อมากลายเป็นคนคือเป็นพระคนไม่ใช่พระปันไม่ใช่พระหล่อป่าขยับได้พูดได้คิ้วกว็ไดำป่าก็าแดงสวยสดยโดร ง, งามโอ้โหเล่นจริงๆเนื้อหนึกเหลืองคล้ายๆก็ะพ้าแต่ว่าเหลืองอ่อนกระเพ้าเหลืองหน่อย มือนิกลมบองแข้งกลมบองมาดูทุกที่ไหนสวยหมดผมลืมสภาพความป่วยไข้ไม่สบายนเวลานั้นทำไมพูดจก็ยิมยิมไปยิมมาใจพางสบายเพราะเดี๋ยวแสงก็เคยออกเป็นแสงหกสีออกจากกายสวยสัพร่งผมเพิ่งมารู้มาตอนเรียนนักธรรมตรีว่าฉับพันธังสีคือรัศมีหกประการข้าพุทธเจ้า พมเห็นเพวกมันชื่นใจพวกลืมสภาพทุกอย่างหมดใจจับจดจ่ออยู่ที่พระร่างกายก็ไม่ได้นึกถึงใครพวกมันึกถึงเพลิดเพลินลเหลือเกินเพลินไปเพลินมาเพลินมาเพลินไปรู้สึกว่าแบบเดียวเดียวไอ้ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาข้างนอกกายที่มันปรากฏไม่ใช่ตาในกายเห็นนะครับกายหมดสภาพ ก็มีความรู้สึกเราคือร่างกายนี้ไม่ใช่กายโดนแล้วไอ้กายตัวนั้นมันหลับทื่อตาหลับปีร่างกายก็ไม่กระดุกระดิกเต็มไ่ด้วยความสุขกรกโกโกรกแต่ว่ากายใหม่นี้สิสวยสดุกงามเป็นกรณีพิเศษเนื้อเป็นแก้วแพรวเป็นยับคือว่าดับท่าพปธนทองแล้วก็มีเพชร ประดับแพร ว, พรว์ๆจนกระทั่งมองมเป็นทองข้างในมีทองเป็นพื้นสวยสดคืองามมีเช่นดามีทองเทางินเงินสวยมากมองดูตัวมองไปเอมันก็มองผิดปกติตามธรรมดามองเราตาลูกตาเห็นได้ข้างหน้าแต่ด้วยมันเห็นหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนจะดูข้างหลังตรงไหนก็เห็นหมดก็แปลกใจนึกกลุ้มใจตัวเอง อเวลานี้เรามีเนื้อเป็นแก้วมีเครื่องประดับแพร่พรากเป็นเพชรแล้วก็มีชิดาใสมีรองเท้าสวมยกเวลขยับแขนขยับขามันไม่มีความรู้สึกว่าหนักแม้แต่นิดหนึ่งยกขึ้นมาก็ยังงั้นในความรู้สึกไม่มีการเคลื่อนไหวทั้งข้อลำก็ไม่ปรากฏไม่ชื่นใจเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> ขยับไปขยับมาก็ ก็เลยเรียกท่านแม่ท่านแม่ก็เฉยเรียกเท่าไรท่งวก็เฉยเรียกท่านลุงก็เฉยเรียกน้าพี่ป้านะ้าอาทุกคนเฉยหมดจับตัวท่านก็ยาท่านก็เฉยอยากจะลาท่านลงไปเดินเล่นข้างล่างกขวดุ้อัดท่านก็เฉยมองได้คนที่นอนที่นั่นจะนึกในใจ <c oughs> ว่าท่านแม่ท่านลุงท่านน้าท่านอาทั้งหมดนี่ เราเวลานี้สวยสดงดงามยิ่งกว่าคนนั้นมากทําไมแม่กัลบลุงคนทุกคนไม่สนใจและทําไมจึงสนใจกั็ไอคนที่นอนนั่เตรียมดีความสุขกระปรกตอนนี้ผู้รับฟังอย่าลืมนะครับว่าเวลานั้นการความการห่วงในร่างกายเดิมนิดเดียวก็ไม่มีมันมีอย่างเดียวคือมีความรังเกียจในร่างกายเดิม ตอนนี้อารมณ์เป็นไรผมไม่ทราบถ้าตามมารีทีบอกออกด้วยกหลังของฌานนั้นร่างกายของผมชัดนี่มารู้กันอีกตอนที่บทแล้วอ่านตำรัตบตำราในทางพุทธศ า, าสนาเพื่อนทราบตอนนี้ก็อยากจะแนะนำบรรดาเพื่อนพิสุสัมเนธสักนิษฐางญาติโยนด้วยว่าทุกขเวทนามันเกิดขึ้น ตัวยามปกติอย่าลืมใช้ครภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าคำภาวนาว่ายังไงนะไม่เป็นไรอันดับแรกตั้งใจถาวายเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วก็นึกถึงท่านถ้าจะสามารถจะทำได้จับภาพระวุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นสระณะถ้าท่านที่ได้มโนยิธิ ก็ไม่ต้องทําตามนี้จับพระรูปพระชงองสมเด็จพระสัมมาทัพสุธเจ้าเลยแล้วก็ปล่อยดีงพุ่งไปเลยนิพพานน่ะไปดีไปลายพักที่นั้นจะมีประโยชน์มากนี่สําหรับว่ากันถึงคนไม่ค่อยจะเป็นเรื่องอย่างผมในสมัยนั้นเอาแค่จับภาพพระพุทธรูปก็แล้วกันและเวลาเดินไปไหนมาไหนนึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการไว้เสมอ เอาไว้เพื่อเครื่องคุ้มครองใจเพื่อความหวัดวันใจจะเกิดขึ้นกระวนกว่าเมื่อท่านไม่สนใจผมก็เลยเราเดินลงบันไดไปเวลานั้นยังต้องการบันไดต้องการพื้นที่อยู่ยังไม่ต้องการหอกคำว่าหอกคาว่าลอยไม่ปรากฏไม่รู้จักออกไปข้างลังลงมาข้างลังแล้วเห็นหลังบ้านอากาศดีมีต้นไม้มีทางเดิน อากาศเย็นสบายก็ก็ยืนเดินเล่นที่ใกลทางมองไปทั้งด้านทิศใต้เห็นคนเดินมาประมาณสองร้อยคนเศษ็มีคนรูปร่างใหญ่ๆนำหน้าสองข้างขนาบด้วยคนรูปร่างใหญ่สองคนตอนท้ายก็มีคนรูปร่างใหญ่ๆคนหนึ่งคุมท้ายพอทุกคนเขาเดินผ่านเข้ามาใกล้ผมมองก็จำได้ ว่าคนที่เดินมานั่นเป็นคนบ้านใกลเ้เลิงเคียงกันทั้งหลายคนมีความรู้สึกเอ้ทั้งหมดนี่ที่เรารู้จักเขาตายไปแล้วตั้งหลายวันทำไมถึงมาเดินไป็กลุ่มได้คนตายมาเดินเที่ยวได้หรือยังไงแล้วก็มีร่างกายมีสภาพเดิมเห็นเป็นรูปร่างเดิมหมดเขาเป็นเด็กเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาเป็นคนแก่เนสภาพนั้น พอท่านพูนหัวหน้าเขามาถึงผมก็เข้าไปขวางหน้ายกมือไหว้ถามว่าคุณลุงคุรับคุณลุงจะไปไหนคุณลุงตอบไปยังไงไม่ทันตอบเปิดบัญชีพับแล้วก็บอกว่าหนูหนูไม่มีชื่อในบัญชีจะไปเลยไปบ้านเนี่ยคุณแม่จะคอยแล้วก็จับมือลากมาที่บันไดแล้วก็ลุงก็เดินไปนำหน้าแถวเดินต่อไป ผมก็แปลกใจว่าอีตาคนนี้เก็บบ้าแล้วก็บบมเราถามว่าไปไหนก็พูดอย่างหนึ่งต่อมาคนกลางมาถึงก็ถามอีกก็ทําแบบนั้นคนท้าย ม, มาถามอีกก็ทําแบบนั้นที่เวลานึค่านาทีผมก็ต้องรีบรวบรัดต่อมาเมือม่อเขาไม่ตอบนิสัยของผมตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเวลานี้ก็เหมือนกันอะไรที่สงสัยต้องทําให้รู้ให้ได้ <c oughs> ถ้ารู้ไม่ได้ไม่หมดสงสัยผมจะไม่เลิกความพยายามต้องเอาให้ถึงที่สุดที้ได้ในป็ น, นิสัยเดิมแล้วก็ยังถึงปัจจุบันไม่ใช่ฟังก็พูดแล้วเออๆคาๆแล้วก็เชื่อเลยผมทำท่าเหมือนเชื่อแต่ผมจะยังไม่เชื่อใครทั้งหมดแต่ว่าตอว่าสิ่งเหล่านั้นอย่ปรากฏจริงผมจึงจะเชื่อแต่ว่าแต่ก็บอกมาสิ่งที่แปลกประหลาดผมก็ไม่ปฏิเสธ ก็สิ่งที่เกินมนุษย์ธรรมดายจะพบผมเคยพบมาแล้วไม่ใช่ผมเป็นผู้วิเศษนะท่านทำให้พบเดินตามไปขึ้นขึ้นลงลงภูเขาเ <c oughs> ขาเล่าลัดลัดก็ไปถึงภูเขาปลายสุดท้ายมันยาวเหยียดสูงมากหัวหน้าขึ้นไปกลางมัชทีนับหนึ่งสองสามถึงสองร้อยเสร็จเออเขาระกาศชื่อแต่ะคนขึ้นไปพอครบครบพอคร บ, ครบผมโผล่ก็ดี แล้วก็ถามว่าไอ้หนูมาทําไมบอกว่าผมถามลุงแล้วว่าลุงไปไหนในเมื่อลุงไม่บอกผมผมต้องตามพิสูจน์ให้ได้ว่าลุงจะไปไหนกันแกก็เลยเรียกว่าเข้ามาใกล้ผมเข้าไปยกมือไหว้ถามว่าลุงไปไหนครับเขาก็ชี้ไปด้านหนึ่งของพวกเขาเพราะว่านั่นนรกแดนที่เห็นเป็นแดงเขาว่ายาโย มีอคารสามหลังมีบริเวณเตียนมีคนยืนเป็นหมู่หมู่เยอะคนนี้ผมคิดว่าเป็นพันเนี่ยครับอาจจะเป็นหมื่นก็ได้เป็นกลุ่มๆกลุ่มละร้อยสองร้อยบ้างหมาถึงร้อยบ้างมีคนโ ต, โ ต, โ, ตโตอย่างหลงยืนคุมอยูก่กลุ่มละคน <c oughs> ถ้าอธิบายฟังว่าพวกนี้ทําความชั่วมาก่อน เอาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ทำความดีทำความชั่วอีกคิ่นํามาลงโทษใหม่ก็ถามว่านารกอยู่ไหนวั น, นุยโน่นพระชีด้ดูเป็นทะเลปเปลือเป็นเพลิงจับทองฟ้าบริเวณมันกว้างขวางมากอยากจะลงไปดูขออนุญาตท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้หลานไม่ใช่ลูกหลานหลานภาวนาว่าพุทโธ แล้วก็จับภาพพระพุทธเจาพระพุทธเจ้าเป็นปกติคนภาวนาว่าพุทธโธก็ดีอรหังก็ดีถ้าอย่างอื่นก็ตามถ้าใจเป็นกุศลก่อนจะตายเข้าไปไม่ได้เดขาดแต่ลุงเขินปล่อยให้เข้าไปลุงมีโทษหลานโยกกลับที่นี่แล้วก็ทีหลังถ้าต้องการจะดูอะไรจะดูนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมาตรงนี้แล้วนึกถึงลุงลุงจะมาทันทีหลังจากนั้นให้คนนามาสง่ง คนนํามาส่งก็คือคนท้ายเขอบอกว่าไอ้มึงไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาได้ผิดระเบียบเอาไปส่งตาแนงแกก็เลยมโหจับสองขาวเหวี่ยงขึ้นบ่าแกแบกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาว่าเดียวเดียวถึงบ้านพอถึงประตูหน้าบ้านแกก็พุ่งพลอยเข้าไปความรู้สึกก็ฟื้นตื่นขึ้นมานี่เป็นวาระของตายที่สอ การตายที่สองนบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรผมไม่เล่าราละเอียดเพราะเรื่องเรามีนางเสียงพะปราณแล้วผล <c oughs> ที่เป็งได้ก็คือนอกเหนือไปจากตายเมื่ออายุสามปีแล้วผลเมื่อยุเจ็ดปีคนเมื่อยุเจ็ดปีคือรู้ทุกสถานที่แต่เขามาหาครั้ น, นี้พอตายครั้งที่สองนี่ประโยชน์ใหญ่คือต้องการจะไปไหนก็ไปได้ โดยเพราะอย่างยิ่งทุกวันก็ย่องไปที่พวกเขาลูกนั้นและนึกถึงท่านลุงท่านลุงก็มาถามอะไรถึงก็บอกคําบอกของท่านคือภาพถามว่าสวรรค์เป็นยังไงครับท่านบอกสวรรค์มีหกชั้นบอกชื่อต้องการสวรรค์ชั้นไหนพอบอกชั้นท่านท่านก็ชี้โดนนี่ยังไงละ่ะมีมาเนี่ยลอยอยู่ใกล้ไกลเห็นหน้าเทวดาเจริญยิ้มแย้มแจ่มใส พทธตาทุกองใจดีเหลือเกินยิ้มบางคนก็เดินเข้ามาใกล้อยากจะดูนรกหลุงวชิรดูนรกแล้วลวงก็บอกว่าไอ้ในเมืองมนุษย์ถ้านหลานอยากจะไปไหนก็นึกอยากจะไปไมันก็ไปได้อย่างนี้แหละแต่ว่าบอกขอท่านบอกขอผมไปเที่ยวสวรรค์นรกไปตนเองท่านบอกไปได้ยังไม่ถึงเวลานี่ระเบรรดาเพื่อิปสุขสาเนยโดยทนนา ตอนนั้นเป็นมนโนยิธิผมไม่ทราบแล้วความดื้อด้านความจะไม่ฉลาดของผมปรากฏเป็นนว่าไม่ฉลาดก็เที่ยวสวรรค์นรกนตัตนเองตอนนี้กลายเป็นตัญหาใหญ่อยากจะไปเที่ยวอยากสวรรค์นรกจึงมาคิดในใจพบพระที่ไหนพราะว่าถามว่าสอนไปสวรรค์นรกได้ไหมท่านบอกไม่ได้ผมก็ไม่ชอบใจ ถามว่าเทศทําไมเรื่องสวรรค์นรกไปได้หรือเปล่าท่านบอกเราแล้หลังจากนั้นมากว่าจะไปสวรรค์นรกได้ก็ต้องมาพบหลงพ่อปานวัดบ้านองโคเรื่องราวต่างๆปรากฏแล้วในเรื่องพบอปานสําหรับนาณีเขอยุติกับเพียนต่านี้พรเวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกับเพื่อนบิณฑุสัมภารเนรที่รักทุกท่านสวัสดี เพื่อนพิสุดิสมณเณรทั้งหลายและบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สองก็มาพูดกันถึงเรื่อง ก, การตายวาระที่สองแต่ว่าก็วันนี้ก็ยังบันทึกยังเป็นวันที่ยี่ิบสี่กรกฎาคมสองห้ายี่สิบเจ็ดที่บอกไว้จะได้ทราบเอาพูดตั้งแต่ื่อไร สำหรับการตายขั้นที่สองอยังจะไม่พูดถึงก่อนเรื่องประโยชน์ขึ้นการตายครั้งที่หนึ่งและการบำบนาวพุทธโธมีประโยชน์นั่นคือรู้ว่าต่อมาเมื่อผมอายุได้ย่างเขา้าเจ็ดปีตอนนี้รู้สึกว่านอกจากจะเห็นเทวดาที่คอยรักษาแ้วก็เห็นหน้าไม่พร้อมกันเปลี่ยนหน้ากันมาเสมอ นนนานท่านแม่กับท่านพี่จะมาเองสักครั้งหนึ่งพอเห็นท่าก็ถามว่าท่านแม่กับท่านพี่ทำไมนานๆจึงมาทําไ ม, มาาไม่มาทุกวันแต่ก็บอกว่าภาระของแม่มีภาระของพี่ก็มีมากเพราะว่าพ่อเป็นพระอินทร์ในเมื่อพ่อพระอินทรเขาต้องปกครองเทวดาทั้งหกชั้นภาระก็มี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 อยากจะทราบว่าน้องผมมีกี่คนท่านพี่ก็ยิ้มหัวเราะอน้องที่เป็นลูกของแม่เน่ยเกือบจะไม่มีเลยลูกน้องทำามาอย่างนั้นถ้าพี่บอกนะว่าน้องที่เป็นลูกของแม่เน่ะเกือบจะไม่มีเลยที่มีเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไปแล้วแต่ว่าน้องที่ว่านี่ไม่ใช่น้องลูกของแม่เป็นน้องลูกของแม่อื่น แต่ว่าแม่อื่นเขา ย, ยกมาให้เป็นน้องของน้องท่านน้องประเภทนี้แล้วก็ในสวรรค์ชั้ น, นดาวดึงมีหลายพันคนตกใจแล้วก็ถามว่าคนอย่างผมจะไปเที่ยวสวรรค์เช้ น, นดาวดึงได้ไหมถ้าบอกว่าไปได้แต่วาระจะไม่ถึงเมื่อการเวลามาถึงก็ไปได้จะเพิ่งเรียงรัดตัวเองให้ตั้งใจภาวนาบ๊ะพุทธโธไว้ แล้วเวลาภาวนาพระพุทธโธนะทางที่ดีควรจะนึกเขียนภาพพระพุทธเจ้าถ้าเห็นไม่ได้ก็ น, นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ที่ท่านยากับท่านแม่ให้บูชาพระองค์ที่ลูกรักกอจริงพระองค์นั้นเป็นพระทองคำท่านสวยมากก็ชอบใจพระองค์นั้นพระพุทธรูปมีหลายองค์ที่จิตใจในจดจ่อพระพุทธรูปทองคำองค์เดียว แล้วท่านแม่กับท่านย่าก็ให้มาบูชาดังนั้นเวลาที่ท่านแม่กับท่านย่าให้ท่านแม่กับท่านพี่ <c oughs> ที่อยู่เดาวดึงบอกก็ใจจับพระองค์นั้นทางองค์นี้ได้ไหมองค์นี้ได้ไหมท่านบอกได้ทุกองค์ <c oughs> ต่อมาก็เวลาจะภาวนาก็นึกถึงท่านแต่ก็ภาวนาไม่นานภาวนาสองสามวาระก็หลับ เอาแค่เนี่ยหากิ่นกังแค่แค่จะหลับภาวนานหน่อยเหมนการหลับแต่จิตใจก็ลืมตาดูพระก่อนนึกถึงภาพพระแล้วก็ภาวนาหลับไปจนทั้งเวลาไหนจะเดินไปไหนก็ตามท่านนึกถึงภาพพระขึ้นมามันอจะเห็นภาพพระชัดเจนแจ่มใสมากหลังจากนั้นมาเมื่ออายุเจ็ดปีย่างเขาเจ็ดปี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 เขามาในภาพในขณะที่เขาตายนะเขาบอกต้องความจริงทุกคนก็มาเขาไม่ได้ทําให้กลัวไม่ได้ความสดชื่นมาพูดโอชาปราศัยเหมือนเขาไม่มีชีวิตอยู่ผมก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตายก็เหมือนกับคุยกับคนธรรมดาถ้าไปบ้านใครคืนแรกจะพบแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เมื่อพบแล้วคนหลายล่านั้นมักจะบอก ว่าทรัพย์สมบัติที่ลูกด้วยหลานที่เขายังไม่รู้จักแค่ยังไม่รู้ก่อนจะตายไม่ได้บอกเขาอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนี้ตอนเช้าช่วยบอกเขาด้วยนะบอกฉันมาสั่งและบอกชี่ไว้บางท่านก็เอาเงินไปฝังไปฝังไว้สมัยนั้นฝังมากกว่าฝากการฝากธนาคารตามชนบทเบกือบจะไม่มีเลย ก็เดินไปอำเภอเปัญญาวัดก็แสนยากพานะไม่มีต้องเจวเรือไปบ้างต้องเดินไปบ้างกว่าจะถึงสำนักงานอำเภอก็แสนละกรารัฐธนาคารต่างๆก็ไม่ได้ตัง้งตามอำเภอที่พอจะมีอาศัยได้บ้างรัธนาคารอมสินซึ่งก็ฝากเจ้าหน้าที่เตรียมเพอไว้ก็ไม่มีสำนักงานแน่นอนดันั้นคนส่วนใหญ่จึงใช้เงินฝังฝังไว้ใส่หายบ้างใส่ตุ่มบ้าง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 เอาไว้บนคืออะไรวางปิดไว้เบาๆซึ่งเป็นที่ไม่ น, าน่าไม่ น, าน่าจะสงสัยเพราส่้อยตรงกลางเส้นเล็กๆก็เอาของเล็กๆกับกระดานอะวางทับแล้วอะไรวางไว้ข้างบนตีตะปูนิดหน่อย <c oughs> ก็มีกระถางดอกไม้บ้างเนียอะไรบ้างกระตามบาที่ของเล็กๆกัน้อยใส่กระถางเล็กๆว่าบนไม้คนก็เลยไม่สงสัย ไปงัดตะปูขึ้นมามันก็นับกระดานขึ้นมาปรากฏว่าเจือทองเจือทองโสร้อยทองคําแล้วก็ไปกดเจือเงินบ้างเจือทองบ้างเจือแกว้วหวานเครื่องประดับบ้างชาว บ, บ้านก็เลยแปลกใจว่าเจ้าเด็กคนนี้มันรู้ได้ยังไงเขาถามว่ารู้ได้ยังไงก็บอกว่าผมไม่ได้รู้เองความจริงแล้วผมไม่ใช่รู้เขามาบอกเหตุการอย่างนี้เป็นมาเรื่อยๆ ก็น่าจะเป็นมาเรื่อยตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นก็ไม่ทราบกลวงความาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอะไรในที่นั้นไปถึงคืนแรกสราบหมดในที่ตรงสถานหลังจากฟันมาผมก็อิเลเคขาตามเรื่องราของเด็กจะลืมว่ากีฬาประเภทอื่นผมไม่ชอบเลย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 โทษติมาลงโทษแบบเบาๆก็คือการป่วยไข้ไม่สบายฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งรับฟังโปรดบอกก่อต่อๆไปด้วยมีญาติโยมผู้เท่าบานคนมาถึงก็มานั่งตอนต่อว่าพระข้างหน้าฉันว่ากะทิ้งก็ทอดปราปลายก็ทอดเส้นล้วก็ส้างโบ ก, ก็ส้างบายก็ใส่ แต่ป่วยไข้ไม่สมบายเป็นโบติพระทำไมจะไม่ช่วยนี่ย่องไปโทษพระอีกบาปนะเพราะจิตเป็นอกุศลอย่าลืมว่าเวลานี้แตมาเป็นพระก็ป่วยปวดตลอดทุกวันเวลาพูดนี่วันนี้เดินก็งงไปงงมาก็จะมาที่พักรับแขกอยู่ก็ดีนั่งเฉยเฉยรุกขึ้นจะเกิดจะเซลม้มจะงงหน้ามืด ต้องยืนหยุดไปเดี๋ยวหนึ่งที่หน้าพพุทธรูปยกมือไหว้ท่านพอใจสบายอารมณ์ก็โปร่งขึ้นแต่กายงงก็ยังไม่ปรากฏกลับมาสงน้ำเสร็จก็มาบันท็กเสียงนี่เป็นว่าพราะก็ยังป่วยอย่าโทษพระเลยโทษตัวเองเถอะอัตนาจโจทยัตานังพระพุทธเจ้าบอกว่ายกล่าวโทษตัวความผิดตนเองไว้เสมอ <c oughs> พูดมากไป ก็ามาคุยนึกตายตอนที่สองตอนนี้จะเป็นอายุประมาณสิบสองถสิบสามผมจําไม่ได้แน่เป็นน่าว่าเป็นเด็กโตแล้ววิ่งคืบคืบคือคึอ บ, คอบแล้วเขากินเหล้ากันผมนั่งในวงเหล้าได้ก็ยังลืมว่าในบ้านของผมทั้งหมดไม่มีกินใครไม่มีใครกินเหล้าเลยแม้แต่พ่อพ่อก็ไปกินเหล้าพี่ก็ไปกินเหล้าผมก็ไม่กินเหล้า แต่ทําไมผมนั่งในวงเหล้าก็เพราะว่าไอ้วงเหล้ามันมีกลับที่เขากินกับเหล้าพวกขี้เหล้ามาก็เรียกผมผมกันหลอกกับพวกกินเหล้าก็กินไปกินไปบ้างกินกลับไปบ้างไอ้กลับก็หมดมากเพราะผมกินมากกว่ามาวันนั้นวาระที่มันจะมาถึงก็คือเขากินเหล้ากันเหมือนกันในเมื่อฉันงเขากินเหล้ากันแล้ว กำลัเงเริกรรกินไปแล้ววันนั้นเขายำให้โคาให้โคนจากกลางนามาพาปลาไม่ใช่ยำปลารสม่งก็อร่อยรู้สึกเนื้อหวานๆเขาก็เรียกไมยกินพวกก็หลอดสติมัตราหลที่สุดอานิี้สงก็กรายกดกินตอนตอนเย็นตอนเท้าเท้าท้องร่วงเพืชเพื่อเพืชท้องร่วงก็คืออวิวะตะโรค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 เขาตายกันมาแล้วประมาณทั้งสิบวันเศษผมขอเล่าอย่าอเรื่องยาวอยู่ในเรื่องของโรคปานไดเรื่องนี้มาเล่ารับรวงกันไว้เพราะว่าผมก็เป็นตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่าท้องไม่ดีไปถ่ายถ่ายไ้ก็ออกมาข า, ขาวๆทีครับไม่มีเสียงสะบัดรืดไม้กับน้ำเหมือนกับน้ำไหลจะ ก, กระบอก แค่สามครั้งผมหมดแรงปวดแรงเพรียตาลายท่านแม่ก็พอด้วยท่องเดินครั้งแรกท่านแม่ก็ให้คนโดยตามท่านลุงมาให้ยาท่านลุงมาให้ยานะผมยังทางท้องไทยสองครั้งเขานี้หมดแรงจริงๆท้องก็เจ็บระบบมันร้อนไปหมดท่านต้องเจ็บต้องร้อนไอ้ทุกเวทนาก็ะลายท่านแม่ก็เลยนั่งไกล เราลูกภาวนาว่าพุทโธเนลูกนะจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้อรหังก็ได้ลูกชอบใจแบบไหนภาวนาแบบนั้นให้สบายแล้วตั้งก็เอาพระพุทธรูปองค์ที่ที่ชอบใจพระทองคำามาวางข้างขวาได้ไกลไม่ใช่วางหัวนอนให้ตามองเห็นก็จำภาพพระพุทธรูปไป้ลูก ภาพภาพระที่หลวลูกชอบแล้วก็ตั้งตั้ ง, งใจเวลาภาวนา น, นึกถึงท่านท่านจะช่วยหายโรคท่นี้อย่างนี้เรียกวภาวนานกันตายถ้าดูอาการแล้วก็คล้ายๆลยกับสุปฏิทิฏฐิตาเทพบุตรหรือว่าอังคุละเทพบุตรหรือว่าเวลาที่ป่วยไข้มาสบายภาวนานแต่ว่าความจริงของภาวนานของทุกวัน พระพุทธโอง์นี้ผมเห็นชัดทุกวันเดินไปที่ไหนไม่ใจตัวหน้าทานกลางทุ่งกลางท่าผมนึกขึ้นมาด้วยอะไรคงเห็นท่านชัดชัดทุกทีวันนั้นเนี่ยากายปวดการปว่รปวยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นก็เลยมีความหวังใหญ่ท้องมันก็ปวดมันร้อนก็นร้อนเจ็บมากในใจก็นึกว่าขอสมเด็จพระผูทมีพระภาคืคอพระพุทธเจา้าแม่สอนเด็กอย่างนี้ แม่สอนให้ได้อย่างนี้จนชินว่าขอให้ช่วยส่งคอย ห, หายการเจ็บป่วยเถอะพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนวันนี้ไปโรงเรียนไม่ไหวความเยิงโรงเรียนนี่ไม่เคยขาดจะไปถึงโรงเรียนก่อนเพื่อนเสมอเรื่องการเรียนนี่ชอบไปนั่งภาวนาไปภาวนาไปลืมตามองท่านบ้างหลับตาบ้างหลับตาบ้างภาวนานึกถึง เวลาหลับตาเห็นภาพทชัดต่อมาประเดี๋ยวเดียวเราก็เห็นภาพพระพุทธรูปโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยหลับตายก็เห็นลืมตายก็เห็นสบายมากตอนนี้ลืมความเจ็บปวดในร่างกายยิ่งลืมนะครับท่านผู้รับฟังในตอนเป็นเด็กผมไม่รู้เรื่อง ว่าตอนนี้กําลังจิตเข้าไปสู่ของอุปจารสมาธิเบื้งปลายคือจิละเอียดแล้วจิตก็กลังเข้าไปทรงในด้านของปฐมฌานเพาะพระพุทธรูปโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นขึ้นหนาท่าพระพุทธรูปว่าประทานในบทหน้าตักสี่สองสวยงามเป็นพิเศษสวยก็รูปเก่ามากหลับตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น แล้วต่อมาพุทโธเขากลายโอนใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นต่อมากลายเป็นคนคือเป็นพระคนไม่ใช่พระปัน้นไม่ใช่พระหละ่อปากขยับได้พูดได้คิ้วกดได้ปากกดแดงสวยสวยโงามโอ้โหเลิศจริงจรเนื้อหนอิเหลืองคล้ายๆกับผ้าแต่ว่าเหลืองอ่อนกว่าผ้าเหลืองหน่อย มือนิกลมบองแข้งกลมบองมาดูทุกที่ไหนสวยหมดผมลืมสภาพความป่วยไข้ไม่สบายในเวลานั้นทาไมพูดถึงยิ้มยิ้มไปยิ้มมาใจมันก็สบายเพราะเดี๋ยวแสงก็เคยออกเป็นแสงหกสีออกจากกายสวยสะพรั่งผมเพิ่งมารู้มาตอนเรียนนักธรรมตรีว่าฉับพันธังสีคือรัศมีหกประการของพระพุทธเจ้า ผมเห็นพวกมัชื่นใจพวกลืมสภาพทุกอย่างหมดใจจับจดจ่ออยู่ที่พระร่างกายก็ไป น, นึกถึงใครพกวกมันนึกถึงเพลิดเพลินเหลือเกินเพลินไปเพลินมาเพลินมาเพลินไปรู้สึกว่าประเดี๋ยวเดียวไอ้ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาข้างนอกกายที่มันปรากฏไม่ใช่ตาในกายเห็นนะครับกายหมดสภาพ ก็มีความรู้สึกว่าเราคือเราไกายนี้ไม่ใช่กายโดนแล้วไอไกยตัวนั้นมันหลับทื่อตาหลับปีร่างกายก็ไม่กระดุกกระดิกเต็ไมไปด้วยความสุขกระโกโกรกแต่ว่ากายใหม่นี้สิสวยสดรุกงานเป็นกรณีพิเศษเนื้อเป็นแก้วแพร่เป็นยับคือประดับท่าประดิทองแล้วก็มีเพชร ประดับแพรว์ๆจนทั้งมองมเหม็นทองข้างในมีทองเป็นพื้นสวยสดคืองามมีเช่นดามีทองทั้งเงินงอ น, นสวยมากมองดูตัวมองไปเอมันก็มองผิดปกติตามธรรมดามองเราตาลูกตาเห็นแต่ข้างหน้าแต่เน้นมันเห็นหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างล่างข้างบนจะดูข้างหลังตรงไหนก็เห็นหมดก็แปลกใจนึกภูมิใจตัวเอง เอ้เวลานี้เรามีเนื้อเป็นแก้วมีเครื่องประดับแผลพราเป็นเพชรแล้วก็มีช ด, ดาใส่มีรองเท้าสวมยกมือขยับแขนขยับขามันไม่มีความรู้สึกว่าหนักแม้แต่นิดเนึ่งยกขึ้นมาก็ยังงั้นในความรู้สึกไม่มีการเคลื่อนไหวเครื่องข้อลำก็ไม่ปรากฏไมยชื่นใจเป็นกรณีพิเศษขยับไปขยับมา ก็เวยเรียกท่านแม่ท่านแม่ก็เฉยเรียกเท่าไรท่านก็เฉยเรียกท่านลุงก็เฉยเรียกน้าพี่ป้านะ้าอาทุกคนเฉยหมดจับตัวท่านก็เหว่ท่านก็เฉยอยากจะลาท่านลงไปเดินเล่นข้างล่างคำว่าดุอั ด, อดท่านก็เฉยมองได้คนที่นอนที่นั่น่านึกในใจ <c oughs> ว่าท่านแม่ท่านลุงท่านน้าทั้งอาทั้งหมดนี่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 ตอนนี้อารมณ์ไปอะไรผมไม่ทราบถ้าตามบาลีทุาบ อ, อกออกด้วยกับหลังของชานนั้นร่างกายของผมชัดนี่มารู้กันอีตอนที่บวแล้วอ่านตำรับตำ ร, ราในทางพุทธศาสนาพุทรรร่ทราบตอนนี้ก็อยากจะแนะนำบรรดาเพื่อนวษษิสุทธิสันสักนิดอย่างญาติโยนด้วยว่าทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้น สยามปกติอย่าลืมใช้คำบรณนานึกถึงพระพุทธเจ้าคำบรณนาว่ายังไงนะไม่เป็นไรอันดับแรกตั้งใจถาวายเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาทัพพุทธเจ้าก่อนแล้วก็นึกถึงท่านถ้าจะสามารถจะทำได้จับภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นสรณะถ้าท่านที่ได้มโนยิทธิ ก็ไม่ต้องทําตามนี้จับพระรูปพระชงองค์สมเด็จพระสัมมาทัพเทธเจ้าเลยแล้วก็ปล่อยเดียงพุ่งไปเลยนิพพานในปฏิปายพักที่นั้นจะมีประโยชน์มากนี่สําหรับว่ากันถึงคนไม่ค่อยจะเป็นเรื่องอย่างผมในสมัยนั้นเอาแค่จับภาพพระพุทธรูปก็แล้วกันให้เวลาเดินไปไหนมาไหนให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการไว้เสมอ เอาไว้เป็นเครื่องคุ้มครองใจเพื่อความหวัดวันใจจะเกิดขึ้นกร็รู้ความว่าเมื่อท่านไม่สนใจผมก็เลยลงเดินลงบันไดไปเวลานั้นยังต้องการบันไดต้องการพื้นที่อยู่ยังไม่ต้องการหอกคําว่าหอะคําว่าลอยไม่ปรากฏไม่รู้จักออกไปข้างหลังลงมาข้างหลังแล้วเห็นหลังบ้านอากาศดีมีต้นไม้มีทางเดิน อากาศเยยนสบายก็ไปยืนเดินเล่นที่ใกล้ทางมองไปทั้งด้านทิศใต้เห็นคนเดินมาประมาณสองร้อยคนเศรมีคนรูปร่างใหญ่ๆนำหน้าสองข้างขนาด้วยคนรูปร่างใหญ่สองคนตอนท้ายก็มีคนรูปร่างใหญ่ๆคนหนึ่งคุมท้ายพอทุกคนเขาเดินผ่านเข้ามาใกล้ผมมองก็จำได้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 ผมก็แปลกใจว่าอีตาคนนี้เก็บบ้าและเก็บบวมเราถามว่าไปไหนก็พูดอย่างหนึง่งต่อมาคนกลางมาถึงก็ถามอีกก็ทําแบบนั้นคนท้าย ม, มาถามอีกก็ทําแบบนั้นไม่เวลาเหลือแห้านาทีผมก็ต้องรีบรวบรัดต่อมาเมื่อเขาไม่ตอบนิสัยของผมท่านเด็กจนทั้งปัจจุบันเวลานี้ก็เหมือนกันอะไรที่สงสัยต้องทําให้รู้ให้ได้ <c oughs>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 เพราะสิ่งที่เกินมนุษย์ธรรมดาจะพบผมเคยพบมาแล้วไม่ใช่ผมเป็นผู้วิเศษนะท่านทำให้พบเดินตามไปขึ้นขึ้นลงลงภูเขาเ <c oughs> ขาเล่า ล, ะ ล, ะละัดๆก็ไปถึงภูเขาปลายสุดท้ายมันยาวเหยียดสูงมากหนหน้าขึ้นไปกลางมาชีนับหนึ่งสองสามถึงสองร้อยเสร็จเขาบริกาศชื่อแต่ละคนขึ้นไปพอครบครบพอครบผมโล่ก็ดี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 มีอาคารสามหลังมีบริเวณเตียนมีคนยืนเป็นหมู่หม่เยอะคนนี่ผมคิดว่าเป็นพันนะครับอาจจะเป็นหมื่นก็ได้เป็นกลุ่มๆกลุ่มละร้อยสองร้อยบ้างไม่ถึงร้อยบ้างมีคนโตโตโ ต, โตอย่างหลงยืนคุมอยู่กลุ่มละคน <c oughs> ถ้าอธิบายฟังว่าพวกนี้ทาความชั่วมาก่อน เขาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ทำความดีทำความชั่วอีกที่นำมาลงโทษใหม่ก็ถามว่านรกอยู่ไหนกออยู่โน่นชี้ดูเป็นทะเลเพลิงเป็นเพลิงจับทองฟ้าบริเวณมันกว้างขวางมากอยากจะลงไปดูขออนิยท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้หลานไม่ใช่ลูกหลานหลานภาวนาว่าพุทโธ แล้วก็จับภาพพระพุทธสภ菩萨ทูปเป็นปกติคนภาวนาว่าพุทธโธก็ดีอาหลังก็ดีหรือย่างอื่นก็ตามถ้าใจเป็นกุศลก่อนอย่าตายเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดแต่ลุงเขินปล่อยให้เข้าไปลุงมีโทษหลานโยกลับที่นี่แล้วก็ทีหลังถ้าต้องการจะดูอะไรจะดูนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมาตรงนี้แล้วนึกถึงลุงลุงจะมาทันทีหลังจากนั้นให้คนนํามาส่ง คนนามาส่งก็คือคนท้ายเธอบอกว่าไอ้มึงไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาได้ผิดระเบียบเอาไปส่งตนนงาแนงกกรลญมโหจับสองข่าวเหวี่ยงขึ้นบ่าแกแบกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาเพาเดี๋ย ว, ว, วเดียวถึงบ้านพอถึงประตูหน้าบ้านแกก็พุง่งตัเข้าไปความรู้สิกก็ฟื้นตื่นขึ้นมานี่เป็นวาระของตาดทีสอง การตายที่สองในบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีผมไม่ได้เล่าราละเอียดเพราะเรื่องเรามีหนังเสียงพระป่านแล้วค <c> น <oughs> ที่เปื้อได้ก็คือนอกเหนือไปจากตายเมื่ออายุสามปีแร้วผลเมื่อยุเจ็ดปีคนเมื่อยุเจ็ดปีคือรู้ทุกสถานที่แต่เขามาหาอันนี้พอตายครั้งที่สองนี่ประโยชน์ใหญ่คือต้องการจะไปไหนก็ไปได้ โดยเพราะอย่างยิ่งทุกวันก็ย่องไปที่วกเขาลูกนั้นและนึกถึ ง, ง, งท่านลวงท่านหลวงมาถามอะไรถึงก็บอกคําบอกของท่านคือภาพถามว่าสวรรค์เป็นปยังไงครับท่านบอกสวรรค์มีหกชั้นบอกชีดต้องการสวรรค์ชั้นไหนท่บอกชั้นท่านท่านก็ชี้โดนนี่ยังไงละ่ะมีมาเนี่ยลอยอยู่ใกลไๆเห็นหน้าเทวดาแตระองยิ้มแยม้มแจ่มใส ท่พุทธตาทุกอง์ใจดีเหลือเกินยิม้มบางคนก็เดินเข้ามาใกล้อยากจะดูนรกหลุงก็เชี่ยดูนรกแล้ลุงก็บอกว่าไอ้ในเมืองมนุษย์ถ่าหลานอยากจะไปไหนก็นึกอยากจะไปมันก็ไปได้อย่างนี้แหละแต่ว่าบอ ก, บอกขอท่านบอกขอผมไปเที่ยวสวรรค์นรกไปตอเองท่านบอกไปได้ยังไม่ถึงเวลานี่ระเ บ, บรรดาเพื่อไิสู่สาเนาโดยทนนา ตอนนั้นเป็นโมโนยิธิผมไม่ทราบแล้วความดื้อด้านความจะไม่ฉลาดของผมปรากฏเป็นว่าไม่ฉลาดเพราเที่ยวสวรรค์นรกตัตเองตอนนี้กลายเป็นตันหาใหยอยากจะไปเที่ยวอยากสวรรค์นรกจึงมาคิดในใจพบพระที่ไหนผมก็ถามว่าสอนไปสวรรค์นรกได้ไหมท่านบอกไม่ได้ผมก็ไม่ชบใจ ถามว่าเทศทําไมเรื่องสวรรค์นรกไปได้หรือเปล่าจะบอกกล่าแวหลังจากนั้นมากว่าจะไปสวรรค์นรกได้ก็ต้องมาพบหลวงพว่อปานวัดบานองโคเรื่องราวต่างๆปรากฏแล้วในเรื่องพบอปานสำหรับหน้านี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้เพราะเวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์นมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนข้าพเจ้าผู้ศรัทธาทุกท่านสวรรัสดี